ขอความเจริญในธรรมจะ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รงประโพติญาณในวันนี้จะพูดถึงองค์ธรรมอีกข้อหนึ่งที่ทาสกะเทวรากล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าในช่วงที่ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอริวาสธรรมสิบประกา ร, ร, รเป็นเครื่องอยู่ทรงประกอบด้วยพระกาลังสิบ ทรงธรรมคือกรรมบท10สิบและทรงประกอบด้วยธรรมอันเป็นองค์ของพระอาเศขาสิมีบริวารพันหนึ่งเสด็จประเวสสู่พระนครราชกุฎธรรมสามหมวดนั้นได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับคืออริวาสธรรมส0ประการทศพลนยานสิบประการแล้วก็องค์ของพระอเศขะสิบประการ ก็ยังมอีอีกข้อหนึ่งที่จริงองคธรรมในะเนื้อหาของธรรมะรรมันซ้ํากันอยู่คือเรื่องของกุศลกำหบดสิ ป, ประการกุศลกำหบดสิ ป, ประการนั้นเป็นธรรมะที่ส่งแสดงมากพอๆกับเรื่องของศีลห้าจะ ย, ยกตัวอย่างไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากอีกนัยหนึ่งคือกุศลกำหนดสิ ป, ประการนั้น ท่านแสดงว่าเป็นมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษยรร์วันถ้าชีวิตของคนเราสามารถปฏิบัติไปในชุดเดียวนะฮะชุดของกุศลของบทสิบประการชุดเดียวในสังฆารูปรปฏิสูต น, นทรงแสดงถึงธรรมะปฏิบัติที่ทำให้คน ตายไปเกิดในสกุลสูงเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมเกิดเป็นนรูปกระพรมเกิดเป็นพระอริยะอะไรต่ออะไรนี่นะโดยใช้ธรรมะเพียงชุดเดียวคือกุศลกรรบดที่มีความเข้มข้นยิ่งยิ่งขึ้นไปแตกต่างกันเพราะในความเป็ น, นกุศลกรรบดนั้นมาเริ่มต้นมีลักษณะโ น, น้มเอียงไปในทางเป็นศีลแต่ว่า พอเริ่มเดินหน้าไปก็จะเป็นธรรมะไปทั้งหมดแม้จะเราจะเคยเจอเคยพบแต่ว่าเรื่องของธรรมะก็คือธรรมะนะฮะหมายความว่าเจอก็ต้องว่ากันต้องอธิบายกันไปตามลำดับของธรรมที่ทรงวางไว้ในความเป็นกุศลกับบทสิป ร, ระการนั้น แปลว่าทางดำเนินด้วยความฉลาดหรือทางดำเนินของผู้ฉลาดจาแนกว้ยเป็นสิบประการอันที่จริงก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็เป็นมโนสุจริตซึ่งก็หมายความว่าในแง่เนื้อหาขององค์ธรรมแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์แปดประการนั่นเอง หรือว่าเป็นกุศลแธรรมที่ต้องเจริญคือเราโดยสรุปประกุศลธรรมที่เราต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นอริยมรกเป็นองแบบประการทางนั้นเน่ยเพียงแต่ ว, ว่าทรงจะน่าแสดงไว้โดยปริยายอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งข้อแรกก็คือปานาติบาตได้แก่การงดเบนจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตายหมายความว่าเขารอกจิทธิในชีวิตของสัตว์อื่นของคนอื่นของสัตว์อื่น กลบลึกซึ้งไปจนถึงเป็นสัตว์ตรงใช้คําบาลีว่าปานะแปลว่าลมหายใจเข้าออกหมายความว่าสิ่งที่มีลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือแม้แต่เป็นพืชนะฮรเป็นพืชในพระตัดไปไม้ใบเดียวไม่ได้นะครับก็มีค่าเท่ากับค่าสัตว์เหมือนกันกับประวัติปฏิตีเหมือนกันแต่ว่าญาติโยมนั้นประกอบสมาชีป เยี่ยงผู้ครองเรือนทั้งหลายเขาก็ไม่ไปห้ามกันขนาดนั้นหรอกไม่ได้สอนว่าการตัดต้นไม้เป็นบาปแต่ว่าในวินัยนั้นบัญญัติห้ามไม่ให้พระตัดต้นไม้พระปูตะคาม์ราระพีชะคมปูตคาห ม, ม, มันคือต้นไม้นะฮะพีชคา ม, มันคือพืชหรือหนอ่อหรือกิ่งอดอกอะไรอะไรต่างๆมันที่เอาไปปลูกได้อะเรียกว่าพีชะคม ก็ปรับเป็นอาบัติปารจิตติด้วยกันพอๆกับการคาสัตว์ปารปรบัติปารจิตตินั่นเองตอะในการงดเว้นเนี่ยเขาเรียกว่าคือพวกศีลพวกนี้มันเป็นสาหาติกะกับอนานาติกะหมายความมาตนทำเองก็ผิดใช้คนอื่นทำก็ผิด าการงดเว้นจากปานาติบาตก็คือหนึ่งต้องงดเว้นจากปาณาติบาตโดยตนเองสองต้องให้คนอื่นก็งดเว้นด้วยบอกกล่าวชี้แนะสั่งสอนอบรมตักเตือนให้สติอะไรก็แล้วแต่จะทำแต่ให้คนอื่นก็งดเว้นด้วยแล้วก็ไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ทำปาณาติบาต ตนถ้าทำก็ไม่ยกย่องสันเริญคนอื่นทำก็ไม่ยกย่องสันเริญและไม่พอใจยินดีในสิ่งที่ได้มาจากการฆ่าหรือด้วยการฆ่าแสดงว่าจิตใจมีความละเมียดละไมลึกซึ้งลงไปหรือถ้าเดินไปจนถึงจุดนี้ต่อไปก็เป็นเมตานะฮะเป็นเมตตาแนละ้วเมตตากรุณาถ้าถึงชั้นเมตตากรุณาแล้วก็เรียกว่าถูกต้องสมบูรณ์ และการต่อไปก็มดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยการแหน่งขโมยซึ่งก็หมายความว่างดเว้นเองด้วยแล้วก็ช่วยในคนอื่นงดเว้นด้วยหมายความว่าไม่รักขโมยด้ยตนเองไม่ใช่บุคคลนในรักขโมยและไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่รักขโมย ให้พอใจไม่ยินดีในของที่ได้มาด้วยการขาโมยนั่นคือการเคารพสิทธิในทรัพย์สินเขากันและกันนั่นเองอาการที่สามก็คืองดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ใช้ให้บุคคลอื่นไปละเมิดในทางกามไม่ยกย่องสนเสริญคนที่ละเมิดในทางกาม ไม่พอใจไม่ยินดีในการลวงละเมิดในทางการรมเป็นสังคมที่ละเมิดละไม่มากเอาขนาดสามข้อนี่นะที่จริงก็สองข้อก็น่าจะพอแล้วถ้าําไปเพราะว่าเมื่อจิตใจเขาเดินไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยธรรมะเราอือนมันไปเองฮะไปโดยอัตโนมัติเองมันเป็นแนวคุศนธรรม จึงทรงแสดงไว้ว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเหตุนั้นควรกระทําบําเพ็ญให้บังเกิดขึ้นก็ต่อไปก็คืองดเว้นจากการพูดเท็จดังงดเว้นจากการใช้คนอื่นในพูดเท็จด้วยนะหมายความว่า ตนเองไม่พูดเท็ดแล้วไม่ใช่ว่าให้คนอื่นมาเตทแทนวละเนี้ยบางทีเราก็ทำอะไรกันง่ายๆโดยไม่นึกว่ามันเป็นการผิดศีลเป็นการละเมิดศีลจะมีคนโทรมาที่บ้านให้ถามดูว่าใครโทรมาบาคนที่ตนเองไม่ประสงค์จะพูดด้วยก็ให้บอกว่าไม่อยู่ก็ใช้คนอื่นพูดทแทนพูดเตทแทน แต่ว่าก็คือตัวเองเทศนั่นแหละแต่ว่าคนอื่นเทศแทนบางทีไปสั่งเด็กเด็กก็ซื้อแกบอกว่าพ่อให้บอกว่าพ่อไม่อยู่เลยได้เรื่องเลยเทีนี้นี้ก็คือเป็นการปฏิบัติที่มันมีความระเมดละไมมีความลึกซึ้งทำให้คนตอนสำรวมระวังมากเป็นพิเศษ ว่าเทศเองก็ไม่ได้ใช้บุคคลอื่นเทศก็ไม่ได้แล้วไปยกย่องสันเสริมคนที่พูดเทศก็ไม่ได้ไม่พอใจไม่ยินดีในการพูดเทศของใครๆทั้งนั้นแล้วเรื่องที่ได้มาจากการกล่าวเทศเนี่ยก็ไม่ชอบไม่พอใจไม่ต้องการได้ต่อการต่อไปก็คืองดเว้นจากการพูดสอเสียด ส่อเสียดด้วตนเองได้ใช้คนอื่นส่อเสียดก็เหมือนกันคําว่าสออเสียดเนี่ยคือการยุยงให้เขาเกิดความแตกแยกกันนำความข้างนี้ไปบอกข้างโ น, น้นนำความบางโน้นไปบอกข้างนี้คือพระพุทธเจ้าพระหันพระริยาบุคคล น, นั้นไม่ต้องพูดอะไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยแม้แต่ความคิดในลักษณะ น, น, นั้นเพราะว่า คนนี้ที่จริงถ้าเราดูให้ดีมันเป็นอาการของกิเลสทีนี้ถ้าคนไม่มีกิเลสมันก็ไม่ได้มีการกระทําการพูดในลักษณะอย่างนั้นไปโดยอัตโนมัตินะฮะคือก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามดเว้นจากการพูดส่อเสียดแล้วก็มาพูดเป็นการส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคี คือสรุปว่าเป็นเจตนาที่ดีต่อกันคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันท่านจะว่าองค์ธรรมตรงนี้ก็ซ้ากับสมาวาจาคือวาจาชอบนั่นเองแต่เมื่อท่านแสดงไว้เราก็ว่ากันไปตามที่ท่านแสดงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกเลิกนะฮะแต่อย่าลืมว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามข้อสำคัญว่า มันเน้นที่การนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องวาทะโวหารเฉยๆแต่ว่ามุ่งความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมหมายความว่าคนนำไปประพฤติปฏิบัติและจนเกิดผลดีงามขึ้นมาในชีวิตของตนเองข้อต่อไปก็คืองดเว้นจากการพูดคำหยาบห้ือตัวเองในใช้บุคคลอื่นพูดคำหยาบ ไม่ยกย่องสรเสริญคนที่พูดหยาบจะไม่ยินดีในคำหยาบทั้งหลายตัวเองตัวเองนะ่ะไม่กล่าวแต่คนดื่นกล่าวก็ไม่ยินดีในคำหยาบเพราะเรียกว่ามันกักกะเป็นคำที่ไม่น่าฟังฟังแล้วไม่สบายหูไม่สบายใจไม่ควรแกการชื่นชมยินดีต่อการพูดในลักษณะอย่างนั้น แล้วก็บทเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อแล้วไหลด้วยตัวเองหรือใช้คนอื่นพูดหรือยกย่องสรรเสริญคนอื่นที่พูดหรือชื่นชมยินดีต่อคนที่เขาพูดโดยเห็นว่าเป็นเรื่องปนเป็นปัญหาภูเขาโดยเฉพาะเพ้อเจ้อเนี่ย พวกตลกโขคหาทั้งหลายพวกเกมโชว์ทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเรื่องเนี้ยไร้สาระอย่างเงี้ยเยอะเลยอยู่กันในจอโทรทัศน์เนี่ยบางทีเจอไม่รู้สกี่ช่องนึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วคนเหล่านี้ให้อะไรแก่สังคมบ้านเมืองนี่คนมีการศึกษาสูงๆเยอะแต่ว่าบทคือจริงๆก็เอาคนที่ไม่จบ ปัญญามาหรือว่าปวกพอสี่อหก่อเจ็ดอะไรต่ออะไรเนี่ยคือมามาเล่นตลกให้ดูมันก็แปลกในกลายเป็นอาชีพแล้วก็อาชีพที่ตั้งตัวเองเป็นหลักฐานมีฐานะัน่งค้ั่งร่ำรวยเด้วยทั้งทั้งที่เนื้อหาสาระแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามันเป็นการคลายเครียดอะไรของคน อย่างในพงศาวดานวัติศาสตร์เขาก็มีตลกหลวงแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินเขาพูดชอบกวงคนพูดตลกเป็นการเบิกบานบันเทิงใจของท่านประการต่อไปนั้นก็ที่จริงก็คือมโนสุจริตสามประการนั่นเองคือการพยายามควบคุมจิตใจเอาไว้ ในชั้นของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีกิเลสเลยนะฮะแต่ว่าในชั้นนี้เราก็ถือว่าพูดในการปฏิบัตินี่ยว่าถึงแม้เราจะมีความโลภอยู่แต่ความโลภเนี่ยมันทันลดมันก็ไม่โลภนะฮะเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราจะกินอาหารกันเนี่ยอาหารเต็มโต๊ะเราชอบหลายอย่าง แต่ว่ารับประทานอาหารไปตามสบายใครจะให้ส่งอะไรก็ส่งให้ใครจะให้หมุนอะไรไปก็หมุนให้ไม่ใช่ว่าไปโลภเอาไว้กินคนเดียวมันก็รับประทานอาหารกันกันได้ตลอดแต่ก็ถามว่าในขณะรับประทานเรามีความโลภอยากได้ไหมก็ตอบว่าอยากได้นะแล้วก็บางทีก็อยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพียงแต่ว่ามันคุมความโลภไปได้เพราะว่ากินข้าวด้วยกันแม้เราอยากจะกินมากๆเนะี่ยแต่ว่าเพื่อนก็คนจะได้กินด้วยก็แบ่งให้เพื่อนกินหรือบางทีกินแล้วรู้สึกอร่อยก็บอกเพื่อนหรือตักให้เพื่อนนี่เป็นการแสดงว่าจริงๆเราก็มีความโลภแต่ความโลภมันคุมมาอยู่มันก็เป็นประโยชน์ ค, คือกูลต่อกัน ความโลภนั้นเป็นกิเลสประเภทสร้างนะฮถ้าไม่โลภมากเกินไปแล้วเนี่ยไม่ทำลายเล้วเยาวน้อยมันก็ติดโลกอยู่แต่ที่มันยุ่งนี่คือว่าเป็นโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นแต่อย่าลืมว่าชั้นนี้เป็นชั้นความคิดนะชั้นความคิดไม่ได้ออกมาข้างนอกหรอก ส่วนพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายนั้นไม่มีแม้แต่ความคิดเพราะอะไรเพราะบทว่าอารหังเนี่ยที่แปลว่าหักกรรมแห่งสังสารวัจรคือพระเจ้าพระหันทั้งหลายตัห์ัหกกรรมแห่งสังสารวัจรได้หาก็วิชาตัณหาอุปาทานได้หักกรรมได้ปัญหาการของกิเลสเหล่านั้นอาการของกรรมเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นกลุ่มดวงใจท่าน แล้วก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสแม้จะมีอารมณ์มากระตุ้นให้เกิดกิเลสสมมติว่าพระหา น, นั่งอยู่แล้วมีคนมาแสดงบทด้วยโยนอะไรต่างๆซึ่งคนอื่นอาจจะทนไม่ได้แต่ว่าพระหันทั้งก็มองเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจไม่มีความยินดีในอารมณ์เหล่านั้น อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเหมือนกับน้ำที่ตกลงไปบนใบบัวมันกลิ้งกลับออกมาไม่สามารถจะดองอยู่ได้จิตใจของพระอริยบุคคลระดับจริงๆระดับตั้งแต่ปัโสดบบันขึ้นไปแล้วเราเองบางทีเราก็ทำได้นะมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ไปทั้งหมดมันก็ทำได้เยอะ อเช่นสมมติว่าคนเนี้ไปซื้อของแล้วก็ซื้อด้วยความซื่อสรรัตย์สุจริตเนี่ยหยิบอะไรก็เอาใส่รถเข็นมาให้เขาคิดราคาให้ฮะไม่ไปยักยอกบางทีมันก็เดินซื้อกันคนไม่มีคนขายไม่เห็นเนาะอาจจะยักยอกอะไรซ่อนอะไรเอาไว้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าใจมันไม่ทนะําน่ะโดยความซื่อสรรัตย์สุจริตใจมันไม่ทํา แต่ถามว่าโลภไม้ก็โลภอยากได้ไม้ก็อยากได้แต่ว่าของของคนอื่นของค น, นอื่นเราก็เคารพเราก็ไม่โลภอย่างหลายปีมาแล้วยังรู้สึกประทับใจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเก็บกระเป๋าสตางค์ในวัดเป็นยาม่บพิษได้อะไรสี่มืนห้าสนะี่สิบปีที่แล้วนะสี่สิบกว่าปีที่แล้วก็ไม่เป็นเด็กไปแล้วนะเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ว่าชอบใจความคิดอะ ปรากฏว่าเธอเอาไปคืนเจ้าของถึงบ้านนะตามมาจนถึงบ้านเลยคืนเสร็จแล้วเจ้าของก็สอบถามชื่อเสียงเรียงนามก็ไม่บอกโรงเรียนก็ไม่บอกแต่ว่าเขาก็ดูอสอนย่อเ อ, อ, อาก็ศึกษาได้นะเจ้าของเงินไปหาจนเจอนะเธอกลับมาบ้านก็ไม่เล่าไอ้ไม่เล่าไอ้พ่อแม่ฟังไปโรงเรียนก็ไม่เล่าไอ้เพื่อนฟังไปกับครูก็ไม่ได้บอกครูอะไรแต่ไรเลย คือเธอถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องทำแต่ น, นั่นเองแล้วก็เธอก็ได้ทาไปแล้วก็จบสิ้นกันนักข่าวเขาสอบถามมาทำไมหนูไม่เอาเซียเองทางทางที่ไม่มีคนเห็นเธอบอกว่าแม่สอนไว้ไวเ่เห็นเห็นเห็นเงินคนอื่นเหมือนกระเสกกระดาษ น, นี่เป็นตัวอย่างว่าถามว่าโลภไหมก็โลภ ความโลภมันยังไม่หมดหรอกแต่ว่าคนเราถ้ามีเหตุผลมีสติปัญญาในการคิดในการควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้เนี่ยมันก็สามารถรักษาเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นมีหลายโอกาสหลายเวลาที่เราหมายความว่าสถานการณ์มันเอื้อที่จะให้เราประพฤติทุ จ, จริตเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่ควรเราก็งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทําในลักษณะอย่างนั้น นี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนสามัญทั่วไปนี่ก็ทำได้ไม่โลภอยากได้ของบุญคงอื่นเนี่ยบางครั้งบางคราวที่เราเจอของก็ทำหล่นเอาไว้หรือเขาลืมเอาไว้อย่างบางคราวนี่เป็นแท็กซี่เนี่ยก็ลืมของมาในรถแท็กซี่ราคาเป็นหมื่นมืนคันนะในในกรุงเทพเนี่ยไม่รู้คันไหนอนะ แต่แกก็เอาไปคืนเจ้าของเขาหรือเอาไปมอบเจ้าหน้าที่หรือเอาไปหาสถานีวิทยุที่เขาเจนจอสอร้อยร่วมด้วยช่วยกัน อ, อะไรแต่ไรเนี่ยผพืสื่อหาเจ้าของให้แล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันมันมีความโลภแต่ไม่อยากได้ของคนอื่นเอากันขนาดนั้นก็บุญมากแล้วนะแต่ที่ยุ่งเวลาเนี่ยมันโลภแล้วไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ที่น่าน้อยใจก็คือการคอรับชั้นออกกับชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นที่อยากเกิดมาแล้วชาติบ้านเมืองในอาศัยบ้างมันก็ขูดรีดออกกับชาติบ้านเมืองไม่นึกว่าเราจะให้อะไรแก่ชาติบ้านเมืองแต่นึกว่าจะเอาอะไรจากชาติบ้านเมืองอยู่เรื่อยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะความคิดของคนประเภทเนี้ยจริงๆมันน่าจะเลิกได้แล้วนาะยขอรับชั้นเนี่ยเมื่อไหร่มันะจะเลิกได้ทีก็ไม่รู้ เพราะอะไรเพราะว่าใจคนอย่างโลภแล้วก็อยากได้แบบง่ายๆอยากได้แบบสะดวกสบายนะทีนี้พอถึงโลภอยากได้ของคนอื่นเช่นสมมติว่าเนี่ยพวกเล่นการพ น, านันพวกเล่นเบอร์หวยเบอร์อะไรต่างๆเล่นสลากอะไรเนี่ยถ้าพนุธายมันก็เสียเสียมากกว่าได้ คนบางคนก็เล่าเนี่ยว่าซื้อสลากกินแบ่งมาเป็นล้านนะฮะล้านบาทเคยถูกครั้งเดียวก็40ี่หมื่นกว่าบาทต่นนั้นเองแต่ว่ายังไม่สามารถจะเลิกเล่นได้นั่นเพราะอะไรเพราะใจยังโลภอยากได้ของบุคคลอื่นดูดังนั้นธรรมะปฏิบัติเหล่านี้ในระดับพระอรหันต์นั้นท่านสมบูรณ์ แต่ว่าในระดับสามัญชนทั่วไปคือเราเราท่านๆนเนี่ยเราก็คุมความโลภได้นะฮะไม่โลภอยากได้ของคนอื่นแม้ของนั้นจะมายโยโยนตาโยวยนใจอยกกระดามเช่นว่าพวกของก็ตกเขาหล่นเอาไว้เนี่ ย, อยมองซ้ายมองขวาไม่เห็นคนเนี่ยถ้าคนโลภจัดแล้วเนี่ยมันคุมไม่อยูแ่แต่ว่ามีคนเป็นนั้นมากที่ไม่ยอมเอา ของเขาก็ไม่ใช่ของเรานะของเขาก็ไม่ใช่ของเรากระนั้นเองฮิตแบบง่ายๆวพาันเรื่องอย่างนี้เราจึงพบอยู่เรื่อยๆแหละในเรื่องโครงสร้างของกอุศลกับบดศิษเนี่ยเพราะเป็นศีลธรรมจัญญาแล้วก็เป็นมนุษยธรรมดังกล่าวจึงหมายความว่าใครมีก็ชื่อว่ามีธรรมะสมบับความเป็นมนุษย์อยู่ภายในใจทั้งฟังทั้งหลาย ในรมภวติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญมหอห ง, งามไปบุญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี